ห้าสิบสามร้านค้ า, คราเรากําลังมองหาร้านขายเครื่องกีฬามิชูไคินสปาร์ติวนูยูครามงเรากําลังมองหาร้านขายเนื้อ เรากำลังมองหาร้านขายยาเรากากา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 u ม่ช่วยเอ็มอับเทกุกับกู p ิตเกิมดิฉันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับยาช่ายวยยวลิดิฉันกลังมองหาร้านขายอุปกรณ์ถ่ายภาพยาช่วยครามฟูตตาดิฉันกลังมองหาร้านขายขนมหวานยาช่วยคันด อันที <price. S 2> ่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อแหวนยาสบีไรอุสเซคุปิตคุลจัอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อฟิล์มถ่ายภาพยาสบีไรอุสเซคุปิตพลอนคุมอันที่จริงดิฉันวางแผนที่จะซื้อเค้กยาสบีไรอุสเซคุปิตสตู ดิฉ to ันกำลังมองหาร้านขายเครื่องประดับเพื่อซื้อแหวนยาชุกายูวิลเลียนอุครามุขับกุปิตส์คจ์จดิฉันกำลังมองหาร้านถ่ายภาพเพื่อซื้อฟิล์มยาชุกายุครามุฟูตตวารวกับกุปิตส์ปลนกุดิฉันกำลังมองหาร้านขายขนมหวานเพื่อจะซื้อเค้กยาชุกายุคันดิร์กับกุปิ Music uh -huh.